บทที <Book> หกฮกอ่านและเขียนเยจนจิทนเยจุนอจิทข น, น, ด, นดิฉันอ่านซเซจูเซเซจ ดิฉันอ่านจดหมายเซบุคววมสกจเซบุมกิจดิฉันอ่านคำศัพท์เซกุชอมสกจเซกชอกิจดิฉันอ่านประโยคเซกุชอุคเวม สิ e. ่งจึงสึก ш เออ ы กรรมสิ่งจึงดิฉันอ่านจดหมายสิ่ปิษมม์สิ่จึงสิ่ปิษมม์สิ่จึงดิฉันอ่านหนังสือสิ่ทุช ดิฉันอ่านซเซจซเซจคุณอ่านวเวเจวเวจเขาอ่านอรเจ์อรเย จ, ยจดิฉันเขียน เซซึ S S ่ดดิฉันเขียนจดหมายเซบุควซึ่ดบุวดิฉันเขียนคำศัพท์กุชอซึ่ดกุชอ ดิฉันเขียนประโยคเซกูชิอวขะเเซกูชอวเะฮดิฉันเขียนจดหมายเซพิษมะเเฮซิมดิฉันเขียนหนังสือเซทุษ เศรดิฉันเขียนคุณเขียนวัเ ว, วัเขาเขียนอรมาท ฮร์มาท์